ขอออบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตะตปะพระบุภพสิกขาและบุภพสิกขาวันน า, นาพระอมราพิรคิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาโรจนาบดนี้จัดแสดงบาปในอธินาทานและประละซึ่งได้อ้างไว้แต่ก่อนว่าจะวินิจฉัยในที่สุดแ่งวันน า, นาทั้งปวงนั้น ก็แลบาทในอธินาธานนั้นโดยบาลีว่าห้ามาศกเป็นบาปหนึ่งในเมืองราชคลึในครั้งนั้นเพราะบาลีว่าเตนะโขปนะสมยเนราชะกะเหปัญจะมาสโกปาโดโหติดังนี้เมื่อจะรู้จักมาศกพึงรู้มาตราในคัทีอภิธานปฏิติกาว่าจัตารโววิหายกุญชานะเวกุญชามาสโกภเว ดังนี้ก่อนว่าหนักสี่เมล็ดข้าวเปลือกเป็นกุญชาคือกล่ำน้อยหนักสองกุญชาเป็นมาศกคือถั่วขาวก็ว่ากลำใหญ่ก็ว่าถ้ามาศนั้นเป็นบาทหนึ่งมาตรานี้เป็นกลางจะใช้ในทองและนาคและเงินและวัตถุดใดๆก็ได้มาศในบาลีจะเป็นมาศแห่งทองหรือนาคหรือเงิน ก็ไม่กล่าวไว้ในบาลีและอัตถกถาแต่ในอัตถกถากล่าวว่ายี่สิบมาศเป็นกหาปณ ะ, ะหนึ่งพระเหตุนั้นห้ามาศซึ่งเป็นส่วนที่สี่แห่งกหาปณ ะ, ะจึงเป็นบาดหนึ่งในเมืองราชฤทธิ์ในครั้งนั้นแล้วท่านกล่าวต่อไปว่าโดยลักษณะนั้นในชนบททั้งปวงให้พึงรู้ว่าส่วนที่สี่แห่งนีละกะหาปณ ะ, ะซึ่งเป็นของเก่าวเป็นบาดหนึ่งใช่ส่วนที่สี่แห่งกหาปณ ะ, ะอื่น มีรุทธะดามะกะกหาปณะเป็นต้นไม่ใช่หาปณะอื่นแต่ต้องเป็นนีละกหาปณะแม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เป็นอดีตอนาคตท่านก็บัญญัติปาราชิดด้วยบาปซึ่งเป็นส่วนที่สี่แห่งนีละกหาปณะนั้นเพราะอาัตถกาถาปาฐะว่าปัญจามาสะโกปาโดติตะดาราชะกะเหวีสติมาสะโกกะหาปโนโหติ ตาสมาปัญจามาสโกปาโดเอเตนลัคเณนะสัปปชนะประเดสุกหาปนาาัสสะจะตุทโทภาโคปาโดติเวดิตะโบโสจขโขโกราณสะนีลักหาปนาาัสสะวเสนณอิตเรสังรุธราดามกาดีนังเตนหิปาเดนะอติตาพุทธาปิตาราชิกังปัญญาเปสง อนาถตาติปัญญะเปสันติดังนี้นีลักขาปณะนั้นในอภิคถาก็ไม่บอกตำราธรรมและประมาณราคาไว้แต่ในดีกาวิมติวิโนธนีบอกประมาณราคาแห่งนีลักขาปณะและรุทธระดามะกะกหาปณะไว้ดังนี้พึงรู้นีลักขาปณะนั้นเขาทําให้เกิดขึ้นตามตำราเตาถึงพร้อมด้วยลักษณะ มีราคาเท่าทองอุตต ม, ะ, ม, มะประมาณยี่สิบมาศกาหาปนะที่แม้อันพระเจ้ารุทธรดามะให้บังเกิดขึ้นเรียกว่ารุทธรดามกะคาาปนะได้ยินว่ารุทธรดามกะคาาปนะนั้นราคาถึงส่วนสามแห่งนีลักคาาปนะและท่านกล่าวต่อไปว่าในประเทศใดนีรักคาาปนะไม่มี ในประเทศนั้นพึงกำหนดบาตรด้วยพันดะเท่าราคาห้ามาตกแห่งทองที่เขาไล่แล้วปราจากโทษนั้นเถิดโดยปาฐ ะ, ะในดีกาวิมติวิโนโทนีว่าโพราณสัทธานุรูปังอุปาดิโตวีสติมาสัปปามะอุตตะมสุวรรณะณะโกลักคณะสัมปโนนีลกะหาปโนติเวดิตบโบ รุทธระดามีนติอุปาดิโตรุทธระามาดกโกโตกิรนีระกหาปนัสตติภาคังอัคติยัสมิงปณะปเดเสนิรคหาปนานะสันติตถาติกาลิกะวิระหิตัสสนิธันตะสุวรรณสตรัญจมสัสคณะเณพันเดณะปาดาปิเฉโดกาตัปโบตังนี้ ถ้าจะคิดบาทตามดีกาวิมติวิโนทนีนี้พึงรู้จักมาตราก่อนมาตราไทยก็มีหลายอย่างไม่ต้องการจะอาศัยมาตราในคำพีอภิธานปฏิติกาตั้งเป็นมาตราไทยดังนี้เฟืองหนึ่งสี่ไทยไทยหนึ่งสองกลัมคือสองมาศกกลัมหนึ่งสองกล่อมคือสองกุญชากล่อมหนึ่งสี่เมล็ดข้าเปลือกดังนี้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 เป็นบาทหนึ่งในอธินาธานสิกขาบทตามดีกาวิมติวินโนทนีนั้นห้ากรัมน้ำหนักทองห้ากรัมสิบหกนักเป็นเงินห้าสร็งในประเทศไทยในประมาณร้อยหกสห้าปีมาแล้วแต่ในดีกาแห่งอุตรวินิชัฉบอกตำราธรรมนีละคาหะปนณะและประมาณราคาบาทไว้ดังนี้ว่ากหาปณ ะ, ะที่เจือกันนั้นแหลชื่อว่ามีละคาหปณะนะ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 นี้แหละชื่อว่านีละคาหะปณะเพราะเป็นของไม่มีโทษในประเทศใดนีละคาปณะนั้นไม่มีในประเทศนั้นให้เอาทองหนักยี่ิเดเม็ดข้าเปลือกเป็นราคาบาทหนึ่งติตุลักของราคาเท่าราคาทองหนักยี่สิบเม็ดข้าเปลือกเป็นปาราชิกอันนี้เป็นวินิจฉัยในอีกาอุตรวินิจฉัยแสดงวิธีการทานีละคาหะปณะ ใช้ทองห้ามาตกเงินห้ามาตกทองแดงติดมาตกรวมกันเป็นยี่สิบมาตกแล้วก็เป็นหลอมเรียกว่านีละคาปณะนะส่วนที่สี่ของนีะระคาปณะคือห้ามาตกเป็นบาทหนึ่งแต่ถ้าไม่มีก็เอาทองคําน้ําหนักเท่ากับยี่สิบมาได้คราเปลือกมาตีราคาก็จะเป็นบาทหนึ่งในอาทินนาทานตามวินัยใช้แห่งดีกาอุตรากวินัยใช้ คำนี้พระอาจารย์ชื่อว่าวาจิตระกล่าวไว้โดยดีกาตาถาว่ามิตกะกะหาตโนเยวะนีละกะหาตโนตัดเถวหิโปราสัถวิหิตะลักขณังบิสติปัญจะมาสาสุวนัสสะตาถารชะชัสสะนัสสะมาสาตับภาษาติเอเตเวีสติมาเสมิสติตวาพันทัฏฐาะ วีหิมัตังโลหังปัจขิปิตตวาอัครานังจะหัตถปาดาดีนะมัญญะตะรันจะรูปังลัเสตวากโตนิโสสัตตนีละทหาปโนานามโหติโหติเจตะเหมะรัชตตตัมเบหิตัถเถนิดิทะลักขนางอาหาปิตวากะโต ว, วีสะมาโสนีละคาหาปโน เหมะปาดังสัจฉุปาดังตามบะปาดะวะยังหิโสมิเตตวารูปะมัพเปตวากาตุงสัตเถตุดัสสิโตเอโลติวจเตโดโณนิดโดสัตตาตเถริโตตัสปาโดุวรนสักวีสวีหักขนามโกยัตมิมปะณปเดเสโสณวัตติจหาปโน วิสโสโววั น, นวีหักขังตัปปะดักขันติเวดียังวิสโสโววั น, นวีหักขังเถเนนตาพิกทาโวตโตจะวันติสามัญญกุนาอิจนาหุวิณยัญยุโนติวาจิตรนามกาจริเยนะวุตตังดังนี้อาจารย์วาจิตศระเป็นชาวพประเทศอะไรก็ไม่ทราบไม่ได้บอกไว้ ทองหนัก20เม็ดเข้าเปลือกเป็น5กล่อคิด16หนักเป็นเงิน2สะดึงเฟื้องในสยามประเทศนี้เป็นบาทหนึ่งในอธินาทานสิกขาบทตามอุตรวินิชัยดีกาเงิน2สะดึงเฟืองนะเป็นเงิน2สดึงเฟืองเมื่อประมาณ165ปีมาแล้วก็แลของในสยามประเทศนี้ราคาไม่ยั่งยืน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 อีกคนหนึ่งทําได้หนักสลึงสองไทยคงตามน้ําหนักเดิมคาแต่เหล็กเนื้อก็เยี่ยมดีช่างทองในสยามประเทศนี้ตีราคานาสนั้น ต, า ต, าตา่างๆกันตีราคาหกหนักบ้างเจ็บหนักบ้างสิบหนักบ้างก็ตแต่ในคัมภีสังขยาปก า, ากาสกะและคัมภีวินย่าสาระบอกตําราทําเหมือนกันแต่ไม่คนเหล็กส่วนคมภีวินย่าสาระตีราคาไว้ว่า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 ด้วยว่าตองราในดีการนั้นปนเหล็กด้วยเนื้อจึงสูงขึ้นไปที่ราคาแปดหนักถึงชอบสมกับราคาทองหนักยี่ติดเม็ดข้าเปลือกด้วยได้เห็นว่าในเวลาเมื่อแต่งดีการนั้นเขาจะนับถือนาคที่เป็นนีราคาประณะ น, นั้นมีราคากว่าเงินแปดหนักต่ากว่าทองแปดหนักเพราะเหตุ น, นั้นควรคิดทองสิบหกหนักนาคแปดหนักดังคิดมาแล้ว แต่ในดีกาแห่งกังขาวิตรณมีกล่าวว่าส่วนที่ยี่สิบแห่งคหาปนะกเก่าชื่อว่ามาตกมาตกนั้นเขาเรียกกันอยู่ในโลกว่ามันเชิฐถีบ้างโดยดีกาปาฐาว่ามาสโกโปราณกักสะคาหปนัสะวีสติโมพาโคโยโลเกมันเชิถีติปิวุจติดังนี้ ชาวลังกาผู้หนึ่งบอกว่ามันเชิดถีนั้นเป็นเงินเฟื้องหนึ่งในสยามประเทศนี้ถ้าคิดตามในนี้สองสลึงเฟื้องเงินไทยเป็นบาทในอธินาทานสิกขาบทคิดไปคิดมาก็ได้สองสลึงเฟืองเงินไทยมา165ปีแล้วนะได้ยินว่าในประเทศพมา่าบางครูว่ามาตกหนึ่งเป็นเงินสลึงหนึ่งห้ามาตกเป็นเงินห้าสลึง ว่าตามดีกาวิมติวินโนธนีและครูพรม่าห้าสลึงเป็นบาทว่าตามดีกาแห่งอุตรวินิชัยและคำที่ชาวลังกาผู้หนึ่งกล่าวว่ามันเชิดีเป็นเฟืองนี้สองสลึงเฟืองเป็นบาทศานคำภีวินยยสาระสองสลึงกับไายหนึ่งกับกรัมหนึ่งเป็นบาทบาทในอธินาทานคิดตามวาทะแห่งอาจารย์ต่างๆการดั ง, ง, ง, ง, ง, งนี้ นักปราชญ์ผู้มีปัญญาไตรตรองตามคัมภีร์นั้นๆและสืบสอบสวนในประเทศต่างๆถือเอาแต่ที่ชอบเถิดนีท่านผู้แต่งคิดราคาทองและนาดดังนี้ตามราคาที่ใช้กันในเวลาที่แต่งหนังสือนี้อันนี้ก็ผู้ที่แต่งตรงนี้ไม่ใช่ของท่านอมโรเกิดไม่ใช่ท่านอมราภิทกิจะแต่ว่าเป็นวววก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชุรญานวโรรสทั้งชัมระนะ แต่ว่าอันเดิมคนแต่งนี่ใช่ทนอมรโอพิรักิตากล่าม่ทราบปาดักรถาจบจบว่าด้วยเรื่องของบาทอธินาทานตกลงก็เป็นเงินไทยในปัจจุบันนี้เท่าไรก็ไม่ทราบคงต้องไปลองทำดูเอาทองน้ำหนักให้ได้ยี่สบเม็ดเจเปลือกอย่างหนึ่งหรือว่าเอานีรักสหปณะยี่สิบมาตกนี่ละสหปณ ะ, ะก็คือทองห้ามาตกเงินห้ามาตกแสงสิบมาตก มาประสมกันเสร็จแล้วก็เอาส่วนที่สี่ออกมาเป็นเท่าไหร่มาตีราคาเป็นเงินไทยในปัจจุบันมีนโอกาสก็ลองไปทําดูต่อไปจะแสดงประมาณบาทและปะละสืดไปบาทมีสองอย่างก็คือบาทเด็กอย่างหนึ่งบาทดินอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนี้ประกอบด้วยประมาณจึงควรอธิฐานและวิจาร ประมาณแห่งบาทนั้นมีสามขนาดก็คืออุ ก, กัตโถบาทขนาดใหญ่อย่างหนึ่งมัชิโมบาทสนัดกลางอย่างหนึ่งโอมโกบาทสนัดเล็กอย่างหนึ่งบาทขนัดใหญ่นั้นจุเข้าสุกแห่งข้าวสารกึ่งอาลหัตตะและจุขาดนทยะเข้าส่วนที่สี่แห่งข้าวสุกและพยัญชนะกับข้าวพอสมควรแห่งข้าวสุกนั้นบาทสนาดกลางจุเข้าสุกแห่งข้าวสารนารีหนึ่ง บาดขนาเล็กจุกข้าสุกแห่งเข้าสารปัตถาหนึ่งทั้งสองนี้ก็จุกหาชนิยนะและพยัญชนะคือกับข้าวดังกล่าวแล้วก่อนเพราะบาลีว่าอุกทโหนามปะปตโตอัฐาระหกโกดนังคันหาติเพื่ควาละมัชชิโมนามปะปตโตนาลิโกดานังคันหาติเพควาละโอมโกนามปะปตโตปัตโถดานังคันหาติ จะตุพาขางขาตันยังตะดูปิยังพยัญชนะงดังนี้กึ่ง อ, อาหักษะนั้นก็คือข้าสารสองธนานมคตในอัตตกถากล่าวว่าชื่อว่าธนานมคตนั้นสิบสองปะละครึ่งสิบสองปะละครึ่งในมหาอัตตกถากล่าวว่าปกตินารีธนานโดยปกตินั้นในสีหนทวีป ก, ก็ใหญ่ไปทมินนารีหรือว่าธนานของทมินก็เล็กไปมคตนาลี คธนานมาคตจึงประกอบด้วยประมาณธนานครึ่งของมคตนั้นเป็นธนานในสีหนสีหนนี้ธนานเขาใหญ่ธนานครึ่งของมคตก็เป็นธนานในสีหนอันหนึ่งก็คือหนึ่งธนานในสีหนเพราะอัตถก า, าถาปาฐว่าอัธาระหะโกดัณหงคันหาตีติมัคธานาริยาดวินนังตันดุละนาลีนังโอดัณห์คันหาจีต มคคนาลีนามอัตถเจร佛ปลาโหติติอันทกัตถกถาอย่างวุตังสีหะระดีเปปกตินาลิมหันตาทมิลนาลีกุลกามคคนาลีปมาณยุตตาตายะมัคคนาริยาดิยัตนาลีเอกาสีหะนารีโหติติ มหาอัฏฐะตถาอย่างวุตังจะแสดงประลก่อนมาตราในสัมพีอภิธานปฏิปิกาดังนี้จะตาโรวิหโยกุญชาเดเวกุญชามาสโกภเวเดเวอักขามาสกาปัญจะกขานังทรณมัทกังสุวรนโนปัญจทรนังนิขังตะวะนิธิปัญจเต ตาโดภาเคจะตุดเถธทารณ า, านิปลังนัสะตุลาปละสตังจารธาภาโรวีสติตาตุลาอโธกหาปโนนิถีกัตทยะยเตกริสาปโนโดยอธิบายตามดีกาเป็นสองในในก่อนว่าหนักสี่เม็ดข้าเปลือกเป็นบุญชาสองบุญชาก็เป็นมาตก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 แปดอาขาเป็นธรณะห้าธรณะเป็นสวนะุสวรรณะห้าสุวรรณะเป็นนิขะอันนี้เป็นมติแห่งเราทั้งหลายบาทหนึ่งนั้นเป็นไปในส่วนที่สี่แห่งวัตถุอันใดอันหนึ่งคือสิ่งทั้งปวงนั้นแบ่งออกไปเป็นตี่ส่วนดังสัดสี่เท้าส่วนที่สี่ก็ชื่อว่าบาทสิทธรณะเป็นปละ100ปร้อยปละเป็นตุลายี่สิบตุลาก็เป็นภาระ กระหะปณะและกริษาปณะสองศัพท์นี้เป็นชื่ออันเดียวกันสหะปณะหรือว่ากริษาปณะแปลว่าของสําหรับทานสําหรับต่อซื้อขายที่เขาทําเท่ากับผลกริษผลกระิษนั้นว่าเท่ากับลูกสกาคิดตามในก่อนประละหนึ่งก็เป็นเงินหนักบาทหนึ่งกับสองสะดึงสองไผ่ประละหนึ่งนะเป็นเงิน นักบาทหนึ่งสองสลึงกับสองไผ่สิบสองปะละครึ่งก็หนักสี่ตำลึง 3, 3, สามบาทสองสลึงกับไผ1หนึ่งเป็นน้ำหนักมคตนาลีคือชนามาคตหนึ่งิสองะละครึ่งนนะเท่ากับชนามาคตหนึ่งก็คือหนัก 4, 3, 3, 3, 2, 3, 2, สี่ตำลึงสามบาทสองสลึกับไหนึ่งคิดตามในหลังปะละหนึ่งก็หนักสามตำลึงถ้าคิดตามในหลังนะ ประล ห, หนึ่งก็หนักสามต1 2นึงสองสะดึงสิสองปรกละครึ่ ง, น, ง น, น, นั้นก็เป็นเงินช่างเป็นเงินช่างหนึ่งนะสิบเก้าตำหนึงกับสะดึงหนึ่งเป็นน้ำหนักมคธนารีก็คือนนธนามคธหนึ่งแต่ในคำภีสังขยาประกาศสกะว่าสี่เมล็ดข้าวเปลือกเป็นกลอมสองปลอมเป็นจำห้าจำเป็นสองอัฐะแอัฐะเป็นธรณะ สิบธนระเป็นปละเพราะปาฐะว่ามาสโกวิหโยอัฐะอัฐังวาวีหิวีตติแปลว่ามาตกหนึ่งแปดเมล็ดเข้าวเปลือกอัฐะหนึ่งก็ยี่สิบเมล็ดเข้าเปลือกดังนี้ถ้าคิดตามในนี้ปละหนึ่งหนักสามบาทเฟื้องหนักสามบาทเฟื้องสิบสองปละครึ่งก็หนักเก้าตำนึงกับสามบาท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 จุเต็มในธนานใบธนานนั้นชื่อว่ามัคทนาลีธนานากหนึ่งปละมีต่างๆกันดังนี้ให้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาพึ่งสอบสวนถือเอาเถิดตดลองก็มีหลายในไม่รู้จะเอาในไหนทดลองพิจารณาดูบัดนี้จะกแสดงมัคทบาลีตามดีกาอีกในสาราตาทีปนีดีกาจ่าว่าหกปัสสตะคือ หกปลามือชื่อว่ามคตนาลีอันนี้เขียนมคตบาลีมคตนาลีนาลีก็หมายถึงอะไรทนานทนานมกฏหนึ่งเนี่ยเท่ากับหกปลายมืออาจารย์อื่นอีกมีหลายอาจารย์กล่าวว่าแปดปลามือชื่อว่ามข ะ, ะนาลีทนานมกฏหนึ่งว่าตามอธิบายแห่งอาจารย์ก่อนคืออาจารย์แรกนสามปลามือเป็นนาลีคือทนานหนึ่ง สองทนานั้นเป็นมรคทนารีทนานะคตหนึ่งว่าตามอธิบายแห่งอาจารย์หลังสี่ฝ่ายมือเป็นนาลีทนานหนึ่งสองทนานั้นก็เป็นมรคทนารีทนานะคตหนึ่งแต่พระอาจารย์ธรรมปาลเถร ะ, ระผู้จีแต่งดีกาวิสุทธิมัสในนะหรือว่าอรรกถาอุทาบิติวุตตะวิมานวัตถุเปตวัตถุพวกนี้ท่านอาจารย์ธรรมปาลท่านแต่ง ท่านกล่าวว่าอาจารย์ทั้งหลายท่านกล่าวดังนี้สี่บุติกะคือสีก่กำมือโดยปกติเป็นกูดะวะคือฝ่ายมือหนึ่งสี่ฝ่ายมือเป็นนาลีคือธานานหนึ่งสิบหกธานานั้นเป็นโทนะหนึ่งก็แลโทนะนั้นเป็นสิบสองมรรคธนาลีสิบสองธนานมรดเพื่อเห็นนั้นถึงรู้โดยในดังนี้ ธ น, า, นาคตหนึ่งนั้นจุดห้าปลายมือกับกํามือกับอีกกำมือหนึ่งแบ่งสามส่วนเอาแต่ส่วนที่สามดังนี้เพราะว่ามีดีกาปถัตว่ามคทนารีนามะฉปัสตาปนาลีติเกจิอัถปัสตาติอปเรตถาปุริมานางมเตเณติปัสตายะนาริยามตเว นาฬโยเอกามัคคะนาฬีโหติปัชิมานางมเตนะจตุปัสสะตายะนารฬยดาดเวนารฬโยเอกามัคคะนาฬีอาจริยธรรมปาลเถเรนะรปะนะปัตติยาจตุมุติจังกุฎัปบังจตุกุฎัปบังนาฬีตายะนาิยาโสระสะนารฬโยโดนาง ตังปนะมกขนาดิยาดวัดสนาดิโยโหนตีติวดันตีติอุตังตสมาเตะนะเยนะมกขนาลีนามะปัญจกุด บ, บานิเอกันจะมุทิงเอกายมุทิยาสติยันจักพาคังคันหาตีติเวดิตับังดัง น, น, นี้ในวิมติวิโนโนดีนีกาในวิมติวิโนนาดีนีกาของพระวินัย กล่าวว่าอาจารย์ทั้งหลายท่านกล่าวว่านาลีธนานโบราณแห่งครรมินนั้นแปดกุท พ, พะคือแปดฝ่ายมือมุติกะก็คือกำ ม, มือสี่กำ ม, มือเป็นฝ่ายมือหนึ่งธนานมาครดหนึ่งจุสองธนานธมินนั้นก็แลนาลีธนานโบราณแห่งชาวสีหนจุสามธนานธมินนั้นว่าตามอธิบายแห่งอาจารย์ทั้งหลายนั้น ธนานมาคตหนึ่งก็เป็นสีธนานธมินทุกวันนี้ที่จุสีฝ่ายมือนั้นก็แลถึงธนานมาคตนั้นชื่อว่าเป็นปัตถาที่เรียกันว่าโบราณธมินนาลีปัตถาเนี่นะธนานธมินเก่าก็แลคําว่าบาตถขนาดเล็กจุเข้าตกุกแห่งเข้าสารปัตถาหนึ่งนั้นก็ตรงกับคําแห่งอาจารย์ทั้งหลายด้วยว่า แม้โลกทั้งหลายก็กําหนดปัตถะไว้สองก็คือโลกิกะปัตถะและมาคทะปัตถะโลกิกะปัตถะนั้นสิบหกปัระมาคทะปัตถะก็คูณสองส่วนคือเป็นสามสิบสองปะละดังนี้แสดงว่าทนานมคตคูณสองส่วนด้วยทนานโลกดังนี้เมื่อถือเอาอย่างนี้ความที่ว่าบาทขนาดเล็กจุข้าวสุขพอยาปณมัท์คือให้ยังอัตภาพที่เป็นไปได้เนี่ยนะ ก็เป็นอันสำเร็จแท้ด้วยว่าไม่อาจจะเอาบาทที่จุกเข้าสุกแห่งข้าศานแปไปมือไปแสวงหาบินทบาตกระทาไม่ให้เป็นจอมมาเลี้ยงชีพได้คืงเล็กนะเพราะเหตุนั้นในอัตกถาแห่งเวรชักกันจึงกล่าวว่าซึ่งว่าปฐห์หนึ่งนั้นประมาณนาลีคือธนาหนึ่งพอเลี้ยงชีพแห่งบุรุษผู้เดียวได้คำนั้นสมด้วยคาว่า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 ตาญาาริยาดเวนาริโยมัคทนาลีกันหาติภุรานาปณะสีหรานาลีติโสนาริโยกันหาติติวดันติเตสัมเติณมัคทนาลีอิดานิปวัตตามานยะจตุปุตับายะทมิลนาริยาจตุนาลิกาหัวติตโตมัคทนาริโตอุปัฏฐานจะ ปุราณะธรมิลนารีสังขาตังปัดทังนามะหวติเอเตนะจักโอมโกนามะปัตโตปัทโทดนังคันหาตีติปาริวัจนันจัสเมติโลกิยะเกหิปิโลกิกังมาคะทันเจติปัตตะดวายังสมุดาหตังโลกิกังโสระตะปลัง มาทัังดวิกุณังมะตันติเอวังโลกิกะนาริยามะทะทะนาริยาดิคุนาตินัสิตาเอวังจะไทหะ ม, มานีโอมะกะปัตปัสักยาปณะมัตโตดนะคาหิตาสิทธาโหติณหิสกาอัชกุดับะโกดนะคาหินาปัเตนะอัฐูปิกตังปินะปาตังปริเยสิตวายาเปตุง เตเนวะเวรัญชกันดัตถะกะถายังปัทโหนามะนาลิมะตังโหติเอกตะบริสสะอลังยาปนายะวุฒติเหตังปัทโธดโนนาลมยังดวินนันติวุตตังเอกสะดวินนังตินนามติโหติติจักอาคตังตัสมาอิทะวุตตนยานุสาเลนะฆะเหตตบังดังนี้ ในอัตถกากล่าวว่าบาทขนาดกลางจุขเข้าสุขแห่งข้าวสารมคตนารีหมายถึงธนานมคตหนึ่งบาทรขนาดเล็กจุขเข้าสุขแห่งข้าวสารจึงมคตนารีก็ ค, คือปัจฉะหนึ่งเนี่ยโดยอัตถก า, า, าลปัสสาวะนารีโกดา น, นติมคคนาลิกยาเอกายปันดุลนาริยาโอเดนังปัทโถดา น, นติมคคนาริยาอุ ปัตถานาริโกดนังดังนี้ในจาระกาคีปนีดีการกล่าวว่าพระสังคีติกาอาจารย์เห็นว่าประมาณกึ่งมคตนารีหนึ่งเป็นปัต tha อันหนึ่งในที่นี้ปัต tha หนึ่งก็เท่ากับกึ่งมคตนารีโดยคําอัตกถาว่าบาจขนาดเล็กจุข้าวสุกแทงข้าวสารกึ่งมคตนาลีนี้แสดงว่าสองปัต tha เป็นมคตนาลีหนึ่ง ก่แลปัฏฐานั้นพึงรู้โดยววหาโลกดังนี้ว่าสีปรละเป็นปุณวะฝ่ายมือหนึ่งสี่ฝ่ายมือเป็นปัฏฐานหนึ่งดังนี้โดยดีกาปัฏฐาว่ามัคทนาริยาอุปัฏฐปักมาโนอิทปัปโธติอาหะปัฏโธดานันติมัคทนาริยาอุปัฏฐนาริโกดานันติ อมินาจะปัตถะดวะยังมัคทนาลีติดัสติตังหติปัตโธ จ, จ, จะจะโตปโลกุดับโบ จ, จะโตกุดับโบปัตโธติอิมินาโลกิยาวัหาเรณเวริตะโบดังนี้บัด น, นี้จะแสดงมาตราสังขยาตวงเพื่อจะให้รู้จักชื่อในลำดับแห่งเครื่องตวงตามตมภีอภิธานปฏิปิกาว่า กุดะโวปัสโตเอโกปทโธเตจตุโรสิยุงอระหะโกจะตุโรปตะปัถาโดนาวาจะตุราหะตังมานิกาจะตุโรโดนาขาฤทธีจะตุมานิกังหาิโยวีตวาโหทะสิยาตุมโบณสัมพนังอรหโกนิธยังตุมโบ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 นาลีนั้นอย่างหนึ่งดังนี้ว่าอัตตาระหกโกดนังนาลีโกดานังปัทโธดานังดังแปลามาแล้วในก่อนนั้นในคำพีสังขยาประกาศสตะกล่าวว่าฝ่ายมือหนึ่งเป็นกุตวะอันหนึ่งอีกอย่างหนึ่งสี่มุติกะคือสีก่กำมือชื่อว่ากุตวะอันหนึ่งห้ากุตะวะนั้นเป็นมุติกะอันหนึ่งมุติกะนั้นแบ่งสามส่วน ตัวที่สามเป็นมขดนาลีอันหนึ่งสามมขดนารีเป็นอารักกาอันหนึ่งสี่กุดวะก็เป็นปัตถาหนึ่งอีกในหนึ่งหกปะสตักคือหกฝ่ายบือเป็นปัตถาหนึ่งอีกในหนึ่งฝ่ายมือหนึ่งเป็นปัตถาอันหนึ่งปัตถาใดที่เรียกว่านารีนารีนั้นเป็นนารีเล็กสี่นาลีเล็กนั้นเป็นอารักกาว่าโดยปาข่าว่า มีหลายในแล้วเกินนะโดยประถามว่ากุตดโวาปัสโตเอโกอาตวัจโตมุติกลางปัญจะเตกุตดวาเอกามุติเมกายะมุติยาภาเเคจะติตเยเมกานารีมาคพิกามตามาคพิกายะนาวิยาตินารีวุตจจตับหโกกุตวาจตุโดวาติปัโถนามาติกิติตา ชาปัสตาธวาปัทโอะอชวาปัสโตภเวโยปัทโววุจเจเตนารีสานารีกุตกามตาตายะกุตตะนาริกยาจุนาลิมตาลหะโกดังนี้ได้ความว่านารีมีสีอย่างก็คือนารีขนาดกลางจุสี่ฝ่ายมืออย่างหนึง่งนารีขนาดใหญ่จุหกฝ่ายมืออย่างหนึง่ง นารีขนาดเล็กจุกฝ่ายมือหนึ่งอย่างหนึ่งแล้วก็นารีมคต จ, จุกฝ่ายมือหนึ่งกับสองกำมือกับอีกกบมือหนึ่งแบ่งสามส่วนเอาแต่สองส่วนอย่างหนึ่งดังนี้ในอัตถาแห่งรัศกังคุทตรักหมายถึงอังคุทธรตนิกาเดสตะนิบาว่าสี่ปัตถามคตเป็นปัตถะในแขงโกสนอันหนึ่งสี่ปัตถานั้นเป็นอารัตถอันหนึ่ง โดยปาฐะว่ามาคัทิเกนะปัตเธนะจัตาโรโอปัตถาโกตะรเถเเอโกโอปัทโโหติเตนะปัตเถนะจัตตาโรโอปัตฐาอารังกังดังนี้ซึ่งกล่าวมานี้เพื่อจะให้เห็นว่าปัตฐนารีมีต่างๆกันรวมมคตนารีซึ่งกล่าวมานี้ตามใจความในอัจฉริยและดีตาและคําำีิอันเสด ก็เป็นแปดอย่างนาฬีในนัยนแอย่างน้ำหนักสี่ตำลึงสามบาทสองสลึงหนึ่งยอย่างหนึ่งน้ำหนักหนึ่งชั่งสิบเก้าตำลึงหนึ่งสลึงอย่างหนึ่งน้ำหนักเก้าตำนึงสามบาทสองภยอย่างหนึ่งแล้วก็ยี่สิเอดกำมือกับส่วนที่สามแห่งกำมือหนึ่งอย่างหนึ่งยี่สิบสี่หรือว่าสาสองหรือว่าหกสกำมืออย่างหนึ่งหลายใน หกกำมือกับอีกกำมือหนึ่งแบ่งสามส่วนเอาแต่สองส่วนอย่างหนึ่งเป็นแปดอย่างดังนี้มกฏนารีซึ่งมีต่างๆกันดังนี้ให้นักปราชญ์พึงพิจารณาสอบสวนถือเอาเถิถนะดสนัดมกฏนารีนั่งมีตั้งแปดอย่างจะถือเอาอย่างไหนถูกเนี่ยแต่ควรจะถือว่าข้าวสุกแห่งข้าวสาลปัถาดหนึ่งพอบุรุษกินอิ่มคนหนึ่ง ข้าวสุกแห่งข้าวสารนารีหนึ่งพอบุรุรสองคนกินอิน่มข้าวสุกแห่งข้าวสารสองนารีพอบุุรสี่คนกินอิน่มนี้แลเป็นลักษณะสมกับในอัตถกาถาแห่งเวรัญชกันข้าวสารที่ตวงด้วยธนานจุน้ำหนักเก้าตำลึงสามบาทสับสองไผ่พอคนหนึ่งข้าวสารยี่สิบำมือพอกินได้สองคนจักจแสดงอัตถาสังขยาเพื่อจะให้รู้คาพยุต และโยธขาบยุธรหรือว่าคาวุธอันเดียวกันเป็นต้นซึ่งมาในสิกขาบทบางแห่งมาตราในคำพีอภิธานปัทีปิกาว่าฉัติงสะตระมานูนะเมโกนุจฉะติงสะเตจารีตาปิฉัดติงสะระะเรนุจะชะติงสะเตลิขขาตาสะตะอูกาตา ธัญมาโสติสัตตะเตสัตตังคุลิมะดุงนวิชาวิดัฐิตาดุเวติยุงรัตนานตานิสัตเตวะยักติตาวีตะตูสพังคาวุตะมุสภาสีติโยชนังจะตุคาวุตังธนุปัญจัสตังโกโสกะรีสังจะตุรำพนัง อพันตารันตุหัดฐานะมัทวีสัประมาณโตดังนี้ความว่าสามสิบหกปรมามโนซึ่งเป็นวิสัยในแห่งทิพยาจากักรสุเป็นอนูหนึ่งหนึ่งอนูนะเน็่ละเอียดมา น, นั้นอีกสามหกปรมามโนเป็นหนึ่งอนูสามสิบหกอนูเป็นตัชารีสามสิบหกตัชารีเป็นรัฐเรนู สารที่หกรัศเรนูก็เป็นลิขขาลิขขานี่ก็หมายถึงหมายถึงอะไรหมายถึงไข่เหาลิขขานี่ไข่เหาเจ็ดลิขขาเป็นหนึ่งอูกาอูกานี่ก็ตัวเหาเจ็ดอูกาเป็นทันยมาสะก็คือเมล็ดข้าวเจ็ดทันยมาสะเป็นอังคุลีคือนิ้วหนึ่งสสองอังคุลีเป็นวิทัตติคือคือบหนึ่งสองวิทัตติเป็นรตนก็คือศอก เจ็ดรสนะเป็นยัตถิก็คือไม้เท้าวยาัยี่สิบยัตถิคือเส้นหนึ่งยี่สิบยัตถินี้เป็นเส้นหนึ่งสิบห้าวาเป็นอุสภะแปดสิบอุศภะคือร้อยสี่สิบเส้นเป็นคาพยุตหนึ่งคาวุธนั่นแหละสี่คาพยุตคือห้าร้อยหกสิบเส้นเป็นโยอหนึ่งสี่คาวุธเป็นยอดหนึ่งห้าร้อยชั่วฉนูเป็นโกศหนึ่ง แล้วก็สี่อัมพนะเป็นกริษะยี่สิบแปดต่อก็เท่ากับอพัณตระเป็นหนึ่งอพันดรดนในคำพีสัญญาญประกาศสกะว่าสี่ต่อเป็นวาสี่สองเป็นวาหนึ่งเท่ากับสองเมตรนั่นแหละยี่สิบห้าวาก็เป็นอุสภะแต่ติดอุสภะคือร้อยเส้นเป็นคาพยุติคาวุธ1หนึ่งสี่คาวุธก็เป็นสี่ร้อยเส้นเป็นยดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าต่อเป็นกริสะกรีษ หกสิสี่ก리เป็นคาพยุตคือคาวุธิสี่คาพยุตคือขี่ร้อยเส้นก็เป็นโยธ1หนึ่งห้าร้อยชั่วธนูคือ 2, สองพันศอกเป็นโกะก็ะเท่ากับหนึ่งกิโลเมตรนั่นแหละ 2, สองพันศอกก็เท่ากับหนึ 2, ่งพันสองศอกมันหนึ่งเมตรอ่ะหนึ่งพันเมตรหนึ่งกิโลสี่โกะเป็นคาพยุตสี่คาพยุตก็คือสี่ร้อยเส้นเป็นยอไกลหนึ่งพันศอกชั่วเสียงร้องอุตพราช เป็นสารุสัภะเสียงร้องของอุตสภะดีนะแต่สะรุสพะเป็นคาพยุดสี่คาพยุดคือสี่ร้อยเส้นก็เป็นโยชนึงชั่วกําลังอุตสภาราชคือสิบสี่สอบเป็นพระลุสพะเป็นพะลุสภ ะ, ะกาลังของอุตสภะแต่ทะลุสพะเป็นชาพยุดสี่คาพยุดก็คือห้าเส้นสิบสองวาเป็นโยชชั่วตัวของอุทุภ ร, ราชคือเจ็ดสอบเป็นสรีรุสพะ ของอุสภะแต่สิบตรีรุสภะเป็นคาพยุดสี่คาพยุดคือยี่สิบปดเส้นเป็นโยชน์ร้อยเจ็ดิห้าต่อเป็นกริศักดิหกสิบสี่กฤตศักเป็นคาพยุดสี่คาพยุดก็คือห้าร้ยหกสิบเส้นเป็นโยต์ยี่สิบแปดต่อก็เป็นอภัพันตระอภันดน์สี่ร้อยอภัพันตรัเป็นคาพยุดสี่คาพยุดก็คือห้าร้อยหกสิบเส้นเป็นโยตประมาณต่างกันดังนี้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 วัตกีหัดเถนะดิยโทหัดโโหติความว่าคือพระสุจต์นั้นเป็นสามคืบมัชิมะบรุษทุกวันนี้เป็นสอคืบช่างไม้ถ้าจะว่าตามในนี้พระกายของพระพุทธเจ้าสูงสิบสองสอบช่างไม้ทุกวันนี้คืบช่างไม้ทุกวันนี้เอาสามคูณจึงเป็นคืบพระสุคต์นักปราชญ์ทุกวันนี้เห็นว่าพระพุทธเจ้าสูงสิบสองสอนั้น ดูเกินปกติของมนุษย์นะตึกสองสอกก็หกเมตรหกเมตรก็สูงมากจริงๆจึงได้รังเกียจว่าที่ว่าเอาสามคูณคืบมัชชิมะบรุษทุกวันนี้เป็นคืบพระสุคตนั้นพระอัตกกาจาร์อาจจะพลังไปดอกกระมังจะเอาสามหารดอกกระมังด้วยว่าคำในอัตกกาเองบางแห่งว่าอัตถกาอื่นกล่าวพลังก็มีอยู่บ้าง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 แล้วจึงคิดให้ละเอียดต่อไปว่ากายมัชชิมบุรุษทุกวันนี้เจ็ดสิบห้านิ้วร้อยปีหนึ่งกายมัชชิมบุรุษลดลงสามกระเบียตตั้งแต่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วมาสองพันสามร้อปีนี้คิดเป็นร้อยปีได้ยี่สิบสามครั้งคิดเพิ่มขึ้นไปร้อยปีหนึ่งสามกระเบียตยี่สิบสามครั้งเป็นสิบเจ็ดนิ้วกับกระเบียตหนึ่ง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 กายของปัสกพจนิสูง129นิ้วช่างไม้เป็น5ต่อกับ9นิ้วช่างไม้แต่ว่า16นิ้วกับ2อนุกระเบียดช่างไม้ทุ่วันนี้เนี่ยเป็นคืบพระสุคตคือปะสกพจน์หนึ่งท่านก็บอกว่า16นิ้วกับ2อนุกเบียดกระเบียดหนึ่งแบ่ง4ส่วนเรียกว่าอนุกเบียด5กระเบียดกับอนุกระเบียดเศษช่างไม้เป็นนิ้วพระสุคตแล้วกับ5กระเบียดกับอนุกระเบียดเศษ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 8ตอกว่าคูณกับ4ศอกคืบกว่าต่อประมาณ8ตอกก็4เมตรคูณกว้าง4ตอกกว่า2เมตรกว่าในนิสิตนะสันตตสิกขาบทว่าพิกโุพึงถือเอาสันถัดเกาด่าโดยรอบให้ได้คืบพระสุคตหนึง่งวนกับสันถัดใหม่ท่านกำหนดไว้ว่าวิทธาติมัตตันติอิดานิวัตตะกังคุเลนะดวีหานุกลาหี สหโสตังคุลานิพระหตตบานิว่าคือพระสกุนั้นสิบหกนิ้วกับสองอนุกะเบียดช่างไม้ในมันจะสิกขาบทว่าประมาณเท้าเตียงแปดนิ้วด้วยนิ้วพระสกุนั้นท่านกําหนดไว้ว่าติกราธิกาดสังคุลปาดังโหติ ด, ดังนี้แต่ว่าเท้าเตียงสูงสิบนิ้วช่างไม้กับสามกระเบียด ในนิสิตนาสิกขาบทว่าประมาณนิสิตนาด้านยาวสองคืบด้านกวา้างครึ่งครึ่งชายคืบหนึ่งด้วยคืองประดกษ์ท่านกําหนดด้วยว่าทีฆโตวัฏพกังพุเลนะเอกกาลาธิกาบัสติงสะอังพุลังโหติวิสารโตตีหานุกาลาหิสหะหัดขับประมาณนางโหติดศาปณะดวีหานุกาลาหิสหะโสระสังคุลาโหติดังนี้ แปลว่าท่านี่สีธนะด้านยาวสามสิบสองนิ้วช่างไม้กับกระเบียดนึงด้านกว้างสอกหนึ่งกับสามอนุกระเบียดชาย1ิบหกนิ้วช่างไม้กับสองอนุกระเบียดในการรบปฏิชาทิสศิขาบทท่าปิดสีว่าประมาณท่าปิดปีด้านยาวสี่คืบด้านกว้างสองคืบได้คืบพระสุคตท่านกำหนดไว้ว่า ดีสโต ว, วัฏฐกีหัะเถนะนวิกลาทิกัดจะตุรังคุลุตรวิดัตถยาทิกัดทวิหัตถปมานาโหติวิธารโตปะนะเอกกลาทิกัดอัฐถังคุลุตรหัตถปมานาโหติดังนี้แปลว่าถ้าปิดฝียาวสองสอบคืบสี่นิ้วสองกระเบียดช่งางไม้กว้าง ออกหนึ่งกับแปดนิ้วกับกระเบียดนึงในวัติกาสาติการศึกษาบทประมาณท่าอ่านุ้ฝนด้านยาวหกคืบด้านป้างสองคืบครึ่งด้วยคือพระสกุลทันตำเมตไปว่าดีขะโตวัฏถกีหัดเถนะตีหิกลาหิสหะ จะตุหัตถมานาโหติติริยะโตเอกานุกะลุตตะเรกะกะดาทิกะจะตุรังคูรุตระวิทัตถยาทิกะหัตถมานาหติดังนี้ว่าถ้าอาจต้องฝนด้านยาวสี่สอบกับสามกระเบียดช่างไม้สี่สอบก็สองเมตรกับสาม ก, กระเบียดช่างไม้ด้านกว้างสอบคืบสี่นิ้ว กับประเบียบหนึ่งกับอีกอนุระเบียบหนึ่งในนันทสิกขาบทว่าทําจีวรให้เท่าสุคตจีวรหรือว่าเกินป่านั้นต้องเฉดนะกะปาจิตตีประมาณสุคตจีวรด้านยาวเก้าคืบด้านป่างหกคืบด้วยคือพระสุคตท่านตนาหนิไว้ว่าวัสกีหัดเถนะดีขโตดวานุกราทิกะเอกังคุรุตระฉะหัดถัพประมาณนางหวติวิสารโต ตีหิกลาหิสหจตุหัฏฐะประมาณนานโหติดังนี้ว่าสุขจีวรด้านยาวหกศอกหกศอกกับสามเมตรนั่นแหละกับนิ้วหนึ่งกับอีกสองอนุกระเบียดด้านกว้างสี่ศอกกับสองเมตรกับสามกระเบียดช่างไม้ประมาณจีวรควรวิกับอย่างต่ำด้านยาวแปดนิ้วด้านกว้างสี่นิ้วด้วยนิ้วพระสุคตท่านกําหนดไว้ว่า อายามโตวัฏทกังคุเลนะติกลาธิกะัดสังคุลังโหติวิธารโตปนดวานุกลาธิกายะเอกกลายะสหะปัญจังคุลังดังนี้ว่าปชิมะจีวอนจีวอนขนาดที่ควรจะวิกับอย่างต่ำที่สุดยาวสิบนิ้วกับสามกระเบียดกว้างห้านิ้วกับกระเบียดหนึ่ง กับอีกตองอนุกเบียดช่งางไม้นก็คือแปดนิ้วคูณสี่นิ้วของพระสุคต์เนี่นะคำซึ่งกล่ามานี้ตัดความโดยย่ อ, อพอให้รู้เหตุที่ท่านได้คิดสุขตะาวิทัตธิก็คือคือพระสุกต์ละแต่งคำภีสุขตะาวิทัตธิวิธานัปกรถ้านักปราชญ์อยากจะรู้พิษ ด, ดาลพึงดูในคำภีสุขตะวิทัติวิธานัปกรเถิด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 กายของพระพุทธเจ้าสูงเท่านี้เท่านี้ก็คึงคิดตามเหตุนั้นเถิดเอตาวตาปุภะสิกขาวันนาณ น, นิติตาพระจบปุภาสิกขาวันน า, น, านาแต่เพียงเท่านี้เรื่องกายของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นอัจฉริยเหมือนกันพระวรกายของพระองค์ใครจะไปประมาณวัดไม่ได้กอาศัยตามคํามงอัตถกาถาสืบต่อมาทั้งเองอาศัยศรัทธาที่มีในพระ สมาสบุตเจ้าแล้วก็พระสาวกทั้งหลายที่สืบต่อกันมาเป็นอัจถริยทั้งหลายถ้ามีอ้างเอาไว้ในที่ใดชัดเจนก็คือเอาตามที่อ้าง น, นั้นแต่ว่าให้รู้ว่านายะอื่นๆที่ท่านคิดเรื่องของสุคจิวร อ, อะไรต่างๆเหลา่านี้มีเพราะฉะนั้นก็ดูในแต่ละที่ในอัจฉริยะแล้วก็ในดีกาต่างๆก็จะเป็นเหตุที่ทําให้ได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกต้องตามพระวิ น, นัยแล้วก็ตามพระธรรมด้วย ก็ขอให้ท่านได้เจริญในกุศลปิติปราโมทยในการที่จะศึกษาพระวินัยปิฎกหรืว่าพระวินัยในส่วนของโดยย่อที่ท่านพระอมราภิรคิตาอมโรเกิดท่านได้รวบรวมมาไว้ก็ขอให้ท่านได้บรรลุมรคนิพานตอนนี้ท่านก็ไม่รู้อยู่ไหนแต่ว่าท่านก็ไปสู่สุคติดีแล้วแหละมิรู้บรรลุมรคนึกยังแต่ว่าขอให้ท่านเจริญอยู่ในพ่อปุงตนแล้วก็ได้บรรลุมรคนะยังไม่ได้บรรลุบรรลุแล้วก็ยินดีด้วยก็ขอให้เราได้มีส่วน แห่งการบรรลุเป็นสาวกของพระธรรมจ้าเหมือนกับท่านทั้งหลายที่ได้บรรลุไปแล้วก่ อ, อย่ามีเครื่องเนื่อช้าคือตัณหามานาทิฐิได้อบรมปราสิกขาเพื่อบรรลุโดยเร็วสันด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ